สำมรวมจิตใจนะสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตัสรู้ของพระพุทธเจา้าธรรมะทั้งหมดที่เราได้ยินได้ฟังจากพระโอษของพระพุทธเจา้าพระองค์ได้มาตัสรู้ที่นี่เพราะฉะนั้นเราจรึงมายัางสถานที่ที่กระตุ้นเตือนให้เราได้ระลึกถึงพระพุทธเจา้าพร้อมกับระลึกถึงพระธรรมที่ทำให้พระองค์ตัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าคนที่จะได้มาที่นี่ ถ้าพิจารณาดูแล้วต้องเป็นผู้ที่มีบุญมีบรารมีมากๆเมื่อมาถึงแล้วเราต้องสำรวมใจให้ดีสำรวมจิตใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าพระไทยของเราสะอาดบริสุทธิ์หมดจบไม่มีความทุกข์ ไม่มีปัญหาไม่มีความเดือดร้อนใจใดๆละแคะละคายทำให้ใจพระองค์เป็นทุกข์ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่เราเคยกระทำบำเพ็ญกว่าที่เราจะมาได้เราต้องใช้ความอุตสาห์พยายามมากเราต้องลงทุนเสียสละทั้งเว ล, เวลาเสียสละทรัพย์ สลัดความเหนื่อยยากลำบากทั้งหมดออกไปข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลขนาดไหนด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นบากบันเราไม่หวั่นไหวเลยอันนี้ต้องยอมรับว่าทุกคนที่ร่วมกันมาในครั้งนี้ต้องเคยสร้างสมบุญบารมีมากจึงมีโอกาสได้มามายังสถานที่เป็นที่อุบัติ ขึ้นของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเมื่อพระพเจ้าตัดสรุแล้วพระองค์สอนอะไรเนี่ยสำคัญตรงนี้พระพเจ้าตัดสรุอะไรแล้วสอนอะไรสิ่งที่พระพเจ้าตัดสรุก็คือ ค, อความจริงความจริงเอาง่ายๆเลยก็คือตัวเรานี่แหละมันเป็นแค่สมมุติเฉยๆที่ว่าเป็นเราเนี่ย มันเป็นเราโดยสมมติเป็นเราชั่วคราวเฉย ๆ, นนๆเพราะทุกคนเนี่ย<ๆ>ก็รู้แล้วว่าสุดท้ายต้องตายแน่ๆเมื่อเราตายไปแล้วเราจะอะไรเอาวร อ, อะไรก็ตาม ห, ห่วงแหนสิ่งใดก็ตามเราต้องทิ้งเราเอาไปไม่ได้เพราะแม้แต่ร่างกายของเรามันก็ต้องแตกดับสลายไปแล้วจิตใจนี่ก็เป็นแค่นามธรรมา ถ้ามันยังไม่พ้นทุกก็ไปตามกรรมมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราถ้าสมมุติว่าก่อนจะเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้มีเจ้าชีวิตคือระบบของธรรมชาติคือเจ้าชีวิตหรือระบบของกรรมทั้งหลาย เ, เ, าเขาถ้าเขาบอกเราเขาจะต้องบอกว่านี่นเธอจะไปเกิดแล้วใช่ไห ม, มเมื่อเธอจะไปเกิดก็หมายความว่า เธอจะต้องเอาความตายไปด้วยเธอจะต้องเอาความเจ็บไปด้วยเธอจะต้องเอาความแก่ไปด้วยขอให้เธอเนี่ยเซ็นเซ็นสัญญาเซ็นเซ็นเอกสารบางสิ่งบางอย่างเพื่อรับรู้ความจริงอันนี้เธอจะยอมรับไหมถ้าเธอยอมรับ เธอจริงจะไปเกิดได้ถ้าเธอไม่ยอมรับความจริงตรงนี้นธเธอไปเกิดไม่ได้ทีนี้อ้าวสมมุติว่าเขาเอาใบอะไรสักอย่างหนึ่งมาให้เราเซนเพื่อเป็นประจักษ์พย า, ยานว่าเรานี่ยอมรับว่าถ้าไปเกิดเมื่อไหร่ต้องมีความเจ็บตามมาด้วยต้องมีความแก่ตามมาด้วยต้องมีความตายแน่นอนเซนรับรู้เอาไว้ แล้วก็เขาก็กำชับว่าเมื่อเธอยอมรับแล้วว่าถ้ามาเกิดความเจ็บก็ต้องตามมาความแก่ก็ต้องตามมาความตายก็ต้องตามมาถ้าเธอยอมรับความจริงเหล่านี้ได้เธอจะไม่มีความทุกข์แต่ถ้าเธอยอมรับความจริงเหล่านี้ไม่ได้เธอจะต้องมีทุกข์แน่นอน ปัญหาจะเกิดขึ้นกับจิตใจของเธออย่างแน่นอนเลยอันนี้เป็นความจริงเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามาเกิดที่นี่เราก็รู้แล้วว่าเมื่อมาเกิดเมื่อไหร่คนเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้ทันทีว่าความเจ็บก็ต้องตามมาเจ็บไข้ได้ป่วยโรคปวดหัวตัวร้อนโรคปวดท้องลวกปวดตามเส้นตามเอ็นกระดูกโรค เชื้อโรคต่างๆไวรัสแบคทีเรียเข้ามาโรคนั้นโรคนี้กุ้มลุ่มจะต้องมีแน่นอนความแก่ก็ต้องตามมาด้วยเวลาความแก่มาเราเป็นทุกข์ไหมสูงว่าตอนนี้อายุเรามากขึ้นอะ่ะสองกระจกดูตีนกามันขึ้นอย่างเงี้ยทุกข์ไหมหนังมันเริ่มสกัสกๆาน่อยเริ่มนั่นนะ เริ่มเหี่ยวเหียวลงไปหย่อนห ย, ย่อนยันยานที่มันเคยตึงก็หย่อนห ย, ย่อนยันยานลงไปเนี้ยทุกไหมถ้ามันไม่ทุกก็แสดงว่าอยอมรับความจริงถ้ามันทุกหรือเป็นปัญหาแสดงว่าไม่อยอมรับความจริงเจ็บไข้ได้ป่วยโรคนั้นโรคนี้เราทุกไหมหรือถึงเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเอาลูกหลานเราพี่น้องเราพ่อเราแม่เราญาติเราถ้าเขาเจ็บป่วยไข้ เราทุกไหมเราเดือดร้อนไหมอันนี้เป็นเครื่องวัดว่าเรายอมรับความจริงได้ไหมเหมือนกับไอสัญญาที่เราเซ็นรับรู้เอาไว้อะเรารับทราบข้อมูลที่เรารับรู้เอาไว้ก่อนมาเกิดอะเราทำได้ไหมเรายอมรับจริงไหมถ้าเรายอมรับได้จริงก็แสดงว่าเราไม่มีความทุกข์ไม่ควรจะเป็นทุกข์ เรายังมีความทุกข์อยู่แสดงว่าเราปิดตัเสีความจริงหรือเรายอมรับความจริงแต่ปากแต่ว่าจิตเราทําไม่ได้เนี่ยจริงว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันก็เลยไม่มีคุณต่อจิตใจเราไ ม, ม่ผลอะไรต่อจิตใจเราแค่รับรู้แล้วก็พูดกันไปเกิดแก่เจ็บ ต, ตายเป็นธรรมดาผลเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มี แล้วเวลามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆหรือใกล้เคียงหรือว่าเจ็บป่วยไข้หรือว่าลูกเราพ่อเราแม่เราเป็นยังไงบ้างจิตใจของเราจะมีความทุกข์ไหมสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นคือไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราแน่นอนแล้วจึงจะไม่มีทุกข์รวบล้างเลยแล้วความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ย มันถ้ามันมันมากมันมีกําลังมากก็แสดงว่าหลงมากเพราะเราปฏิเสธความจริงเราไม่ยอมรับความจริงเมื่อเรามาที่นี่เรามาตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะมายังสถานที่ที่สำคัญที่สุดเลยคือสถานที่ที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระองค์ทรงค้นคว้าคงแสวงหา ทรงฝึกฝนอบรมเพื่อที่จะเข้าถึงความไม่มีทุกข์ก็คือมาตสรุที่นี่ตัสรู้ก็คือเห็นว่าให้ความตายนี้เป็นความจริงจริงๆเมื่อมันเกิดตายเกิดตายเนี่ยมันก็น่าเบื่อนหน่ายที่พระองค์ทรงทรงปฐมยามก่อระลึกฌาได้ เห็นความเกิดความตายเกิดตายเกิดตายของตัวเองเนี่ยชาติแล้วชาติเหล่าชาติแล้วชาติเหล่ามันน่าเบื่อหน่ายทำให้รู้ว่าโอเนี่ยบัตตาสงสารนี่มันยาวนานมากแต่ก็เวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายอย่างชาตินี้เอาเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วไม่ได้เอาอะไรมาด้วยแล้วเราก็ดิ้นรนแสวงหานนท์นนีนี่มากมายแล้วเราก็เกิดความยึดติดของอะไรอาวอหึงหวง แต่พอตายลงไปสิ่งเหล่านั้นก็ต้องทิ้งไปมันตามเราไปไม่ได้ถ้าใครอยากร่ารวยเกิดม่อีกให้รวยอีกเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแล้วก็ตายไปอีกก็ทิ้งอีกแล้วก็เกิดมาอีกให้มีอีกหมื่นล้านแสนล้านตายไปอีกเกิดม่อีกหมื่นล้านแสนล้านตายไปอีกระหว่างนั้นมันมีทุกไหมมีมากมันก็อะไรอววรมากหวงแหน ัวคนนั้นคนนี้มายืมมาแย่งมาหยิบมาฉวยมาขอหยิบยืมมาแบ่งมาปันมันมีทุกข์ตลอดมีแล้วมันก็อยากได้มากขึ้นโดยความยึดติดเข้าไม่ใช่มีแล้วมันจะไม่มีทุกข์นี่คือหมายความว่าเราเอามาทเทียบเคียงว่าการเรีนยนไหาตายเกิดนี่น่าเบื่อหน่ายมากมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไร เพราะเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตา ย, ตยเกิดมาก็เอาอะไรมาไม่ได้ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้มันก็เลยเหมือนกับว่างเปล่าไปเกิดเป็นเทวดาอายุก็จํากัดเดี๋ยวก็ตายจากเทวดาอีกแล้วถึงจะไปสมบรณ์สุดก็ตามเพชั่วคราวเฉยๆตายแล้วก็มีตกนรกได้ตกอบายาภูมิได้ เป็นมนุษย์ก็แปลบายาภูมิได้มันก็เลยเป็นเหมือนวัฏทุกรถ้าใครมองเห็นสังสารวัฏมองเห็นวัฏทุกรเนี่ยก็จะมองเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารจริงๆนี่แหละที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็คือรวมๆแล้วเนี่ยมันเห็นเห็นความจริงเหรอว่า ร่างกายจิตใจของเราขันห้าของเราเนี่ยความเป็นจริงเนีมันไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรมันเกิดขึ้นชั่วคราวเฉยๆเป็นกระแสความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยิ่งถ้าใครปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยพอมันยั่งเข้าไปลึกๆแล้วมันก็เห็นแต่ค ว, e, วามเกิดดับเป็นกระแสความเกิดดับเฉยๆในบางคนก็เข้าถึงแล้วเนี่ยพอที่จะมองเห็นแล้ว มันก็หาทางออกได้ยมันก็อยากหาทางออกแต่คล้ า, ายๆยังเข้าไม่ถึงมันก็แหมมันก็น่ามันก็อยากดิ้นลนเหมือนกันเพราะอะไรเพราะโลกเขาเป็นอย่างนี้ชาวโลกเขาเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะดิ้นลนสแสวงหากันมันก็มีอิทธิพลต่อใจเรามันก็ทำให้ใจเราเนี่ยดิ้นลนไปด้วยอยากสแสวงหาไปด้วยแต่ว่า พระพุทธเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วชัดแจ้งแล้วต้องหาทางออกจากวัฏฏทุกข์นีน่แหละจึงจะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตอย่างอื่นเนี่ยจะเห็นว่าเราเนี่ยแสวงหาได้มาแล้วก็ต้องทิ้งไปไม่ได้มีเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราแล้วอะไรเป็นสมบัติที่แท้จริง ม, มีพระนิพพานเท่านั้นที่จะเป็นสมบัติที่แท้จริง คือรู้ความจริงสูงสุดแล้วจิตใจไม่มีทุกข์มี่จิงจะเป็นสาระแก่สามที่แท้จริงถ้ไม่อะไรมากมายกายกองแต่ว่ามันยังทุกข์อยู่มันยังใช้ไม่ได้เพราะเราเกิดมาแล้วเนี่ยที่เราสแสวงหาอันนั้นอันนี้นี่ก็เพื่อที่จะให้เรามีความสุขแต่ว่าเมื่อสแสวงหาแล้วมันทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันต้องหาทางออกแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อมาเกิดเมื่อไรใครเกิดมาก็ตามต้องมีความเจ็บความแก่และความตายตามมาด้วยแล้วความรู้สึกเหล่านี้มันตนักฝังลึกเข้าไปในจิตใจเราไหมพอที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันคลายจากความหลงยึดมั่นถือมั่นัหมถ้าหากว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นแค่ความจำเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็เมื่อมาเกิดแล้วเนี่ย ความสุขความทุกข์ก็ตามมาด้วยความใจลาบได้ยศก็ตามมาด้วยเสื่อมลาบเสื่อมยศก็ตามมาด้วยความสรรเสริญนินทาก็ตามมาด้วยถ้าเราเข้าใจความจริงเหล่าเนี้ยเราก็ไม่ควรจะเป็นทุกข์เลยแล้วจริงๆแล้วที่เรานั่งอยู่เนี่ยแต่ก่อนไม่มีเรกยังไม่มีเราเลยนะเรายังไม่ได้เกิดขึ้นว่างเปล่าโลกมีว่างเ ป, ปล่าจากเรา อาศัยว่าถ้าพ่อเชื้อของพ่อไข่ของแม่มาบรรจบ ก, กันพบกันแล้วจิตวิญญาณดวงหนึ่งไม่รู้เป็นใครที่ไหนเดรอมนาศของกรรมมันบังคับ ว, ว่าวิญญาณดวงนี้ต้องไปเกิดกับพ่อแม่คู่นี้เท่านั้น้าเวลาใดที่พ่อแม่คู่นี้หลับนอนด้วยกันแม่มีฤดูเชื้อของพ่อไข่ของแม่บรรจบ ก, กัน จิตวิญญาณดวงนี้เข้าไปอาศัยอยู่ก็จะมีการเกิดเป็นเราขึ้นมาแต่ก่อนเล็กเล็กเล็กนิดเดียวต่อมาก็เป็นเหมือนก้อนเลือดต่อมาก็เริ่มมีอวัยวะต่างๆขึ้นมาเติบโตขึ้นมาแล้วก็ใหญ่โตขึ้นแล้วคลอดออกมาแล้วก็จเจริญเติบโตมาเป็นเราขึ้นมาก็เป็นเราชั่วคราวเฉ ย, เฉย จากนั้นก็แก่ลงไปแก่ลงไปสุดท้ายก็ตายไปความจริงเหล่านี้มันเข้าไปจิตเราหาจิตเราไหมมันลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตเราไหมถ้ามันเข้าไปจิตเราก็จะต้องรู้จักปล่อยวางไม่หลงยึดมั่นถือมั่นอะไรนี่หนหละที่พระเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ความจริงว่ามันจริงๆไม่มีเราหรอกเราชั่วคราวเฉยๆถ้าใครเข้าถึงความจริงอันนี้ได้จิตใจก็จะปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระ จากพันธนาการทั้งหลายจากความทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าเรามายัางที่นี่ก็เหมือนกับว่าเรามายัางสถานที่ตัดสรุของพระองค์เป็นสถานที่จริงๆเมื่อตอนกลางวันอาจารย์สมบูรณ์ก็เล่าให้ฟังแนละ้วรู้สึกละเอียดดีฟังแล้วก็ลึกซึ้งมีความอัศจรรย์ประกอบด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้ามีจริงอะไรที่มันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า บางทีเหมือนจะไม่จริงแต่ว่าจริงได้ด้วยพุทธบาลามีไม่มีอะไรที่จะต้องไปลังเลสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับอนุภาพของพระพุทธเจ้าเราเป็นสาวกเราเชื่อตามดีที่สุดไม่ต้องไปคิดเอาเองและอันไหนที่มันตรงกันข้ามกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ทําดีกว่าเพราะทําแล้วมันขาดทุนเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยตัดสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองรู้โดยยานทุกอย่างในระบบของธรรมชาตินี้พระเจ้ารู้หมดถ้าพระองค์อยากจะรู้เพราะเราไม่ต้องไปเสียเวลาค้นหาเองหรือคิดเอาเองหรือปฏิบัติ ตามคําสอนของใครก็ตามที่มันไม่ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้ามันเสียเวลาปรักลงไปเลยว่าพระเจ้าสอนอย่างนี้แล้วพยายามที่จะเดินตามมีโอกาสที่เราจะเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเราชาตินี้ก็เจริญก้าวหน้าขึ้นถ้ายังไม่พ้นทุกข์เอาเวียนว่ายตายเกิดชาติต่อไปก็เจริญขึ้นเรามีชีวิตอยู่ทําให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นดีกว่า โดยเฉพาะพวกเราเนี่ยที่มีโอกาสมายัางสถานที่แห่งนี้มันเป็นโอกาสที่วิเศษมากๆเลยน่าอัศาจรรย์ที่สุดเลยแล้วเรารวมกลุ่มกันมาคนเรากว่าจะรวมกลุ่มกันมาแล้วก็มายัางสถานที่ที่ทําให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้มาตรัสรู้ที่นี่เรานุกภาพนะ เพระองสแสวงหาทางพ้นทุกเนี่ยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเลยนะมีความเพียรพยายามอดทนมูมั่นบากบันทางไหนที่คิดว่าจะพ้นทุกได้ทุ่มเทลงไปหมดเดียกว่าหมดกําลังเลยหมดเลี้ยวหมดแรงเลยนะเต็มกาลังสติปัญญาความสามารถเลยนะบําเพ็ญทุกขละกิริยานี่ก็จนพระองค์เนี่ยก้าพูดได้เลยนะว่า ถ้าหากว่าบำเพ็ญทุกขระกิริยาเนี่ยทำให้พนทุกข์ได้พระองค์ต้องพ้นทุกข์แล้วแน่นอนเพราะไม่มีใครที่มีความเพียรพยายามอดทนมุ่งมั่นบักบันกระทำทุกขระกริยาได้อย่างพระองค์ไม่มีแน่นอนพระองค์จึงกล้าหาญมากกล้าบอกได้ว่าถ้าจะตัดสินนี้ต้องตัดสูงแล้วต้องไม่ใช่ทางแน่นอนแล้วพระองค์ก็ทบถวนอ๋อตอนยังเด็กพระองค์นั่งอยู่ใต้ตนว่า นั่งอยู่องค์เดียวพรชาชบิดาพร้อมกับขรชาชบริพานเสนาอา ม, มาทั้งหลายก็ไปทำพิธีแรกนากไปด้วยวิเวกทางกายแล้วก็ทางจิตใจคง ก, ก็ตามดูลมเข้าลมออกจิตก็อย่างลุกลงไปลุกลงไปสงบสงัดจากการ ม, มาคุณอารมณ์ทั้งหลายจิตใจลุกซึ้ง บรรลุปฐมฌานพวกก็รำลึกขึ้นมาว่าต้องเป็นทางสายนี้แน่นอนต้องเป็นทางสายกลางคือทำจิตเป็นกลางกลางแล้วก็ให้จิตรู้ความจริงพวกทรงมั่นพระทยัยพวกจึงได้เสด็จมาที่นี่แล้วเรามาตรงนี้แล้ววันที่พวกจะตัดสรุนั้นวางยาคาลงไปแปดกำมือ ลงไปนั่งขัดสมาธิพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่เลยแม้เนื้อรวบเจ้อแท่งเนื้อแต่หนังเอ็นหุ่มกระดูกก็ตามถ้าเราไม่บรรลุธรรมด้วยกำลังของลูกผู้ชายอย่างเราเราจะไม่ลุกจากบรรลังเรียกว่า สละชีวิตเลยยอมตายถ้าหากว่าไม่ตรัสรู้ธรรมในวันนั้นนี่คือความเด็ดเดี่ยวความมุ่งมั่นของพระพุทธเจ้ากว่าจะได้ธรรมะเอามาสั่งสอนพวกเราก็คือที่ตรง น, นี้แหละใต้ต้นสีมหาโพข้างหน้าเรานี่หละเมื่อเสร็จจากนี้เราค่อยเดินไปดูถ้าคนน้อย มีเวลาก็เวียนเทียนรอบๆ บ, บูชาพระพุทธเจ้าบูชาความเพียรความพยายามความอดทนมุ่งมั่นบากบัน่นของมนุษย์คนหนึ่งบุคคลหนึ่งที่มีพระเมตตามีพระกรุณาหาที่เปรียบไม่ได้ตั้งใจที่จะสแสวงหาทางออกจากทุกข์ เมื่อพ้นแล้วก็จะประทานคำสอนเหล่านั้นอบรมสั่งสอนให้สาวกรู้ตามกว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้พระ อ, องค์ก็สร้างบา ร, รมีมากมายมหาศาลนี่คือความเสียสละของพระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายคือชาติที่พระ อ, องค์จะตัดสู้นั่นเนื่องจากพออระองค์ปรารถนาที่จะตัดสู้เองจึงไม่มีอาจารย์สอน ในชาติสุดท้ายที่จะตัตสุนี้พระพุทธเจ้าทุกโลกจะไม่มีผู้ที่จะสอนให้ให้คนทุกได้เพราะองจึงค้นคว้าด้วยพระองค์เองขนาดเรานี่นะมีคําสอนของพระองค์ประทานเอาไว้ให้เวลาเราจะปฏิบัติตามนี้เรายังเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนแล้วถ้าค้นคว้าเองจะเป็นยังไง แสดงว่าพระไทยของพระองค์นี่ต้องมุ่งมั่นบากบันมากเข้มแข็งมาพกพระองค์ต้องบังคับตัวเองต้องฝึกตัวเองอบรมตัวเองสอนตัวเองต้องมีวินัยในตัวเองเข็มงวดปวดขันตัวเองเพราะจิตใจที่มุ่งที่จะออกจากทุกนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจาก้นทุกอย่างพระองค์ ก็ต้องมาตรวจสอบเราว่าจิตใจเราเป็นยังไงมีความพร้อมแค่ไหนพระองก็ไม่ได้แน่ใจหรอกว่าจะพ้นทุกข์ในชาตินี้แต่ว่ามีแต่ความเพียรพยายามเท่านั้นเองถึงเวลาเมื่อเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมมันจึงตัดสรุหรืออาคาสาวกมหาสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันมีแต่คนที่จะดั้นด้นมุ่งมัน แสวงหามุ่งมั่นบากบัน่นที่จะปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เหมือนกันไม่มีใครรู้เลยว่าจะต้องบรรลุเมื่อไหร่เมื่อนั้นเมื่อนี้มีแต่ความเพียรพยายามอดทนเท่านั้นพยายามที่แบปฏิบัติไปเรื่อยๆเท่านั้นหลวงคุบาอาจารย์สมัยนี้ก็เหมือนกันไม่มีใครหลอกว่าพยากรณ์ตัวเองว่าเอ้ยฉันจะบรรลุธรรมเมื่อปีนั้นปีนั้นปฏิบัติไปกี่ปีแล้วบรรลุธรร ไม่มีมือแต่เพียนพยายามปฏิบัติให้มันตรงทางของพระพุทธเจ้าตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อถึงเวลามันม่รู้เองพอถึงเวลาแล้วโอ้เป็นอย่างนี้เหรอโอ้ไม่มีทุกอย่างงี้เหรอแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยขาดคะเนเอาก็ไม่ถูกไม่ตรงเคยขาดคิดมาพอบรรลุเข้าจริงๆพ้นทุกข์ได้จริงๆ โอโ้มันห่างกันดิบรับจึงรู้ว่า เ, เสียเวลาที่เราจะมาคาดคะเน ด, ด้นเดาว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ซึ่มุ่งปฏิบัติไปเรื่อยมันต้องไปคอยว่าเออคงเมื่อนั้นมัง้งเมื่อนี้มัง้งเพียนปฏิบัติไปเมื่อเหตุปัจจัยถึงพอ ม, มันก็พ้นทุกข์ถ้าไม่พ้นทุกข์เอาอย่างน้อยความเพียรความพยายามของเราเนี่ยมันก็ทําให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้น และเป็นบุญเป็นบา ร, รมีมากมายมหาศาลเลยชาตินี้ก็จเจริญขึ้นชาติต่อๆไปก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเมื่ออินทร์บา ร, รมีเราแก่กล้าเราก็พ้นทุกข์ได้เมื่อเราเลิ่นลึกถึงมหาบุรุษคนหนึ่ง ทรงภาคเพียรพยายามอดทนมุ่งมั่นบากบาั่นเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถทุ่มเทแรงกายแรงใจที่มีทั้งหมดเพื่อแสวงหาทางดับทุกข์เพื่อออกจากทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เมื่อพ้นทุกข์แล้วยังมีเมตตากรุณายิ่งใหญ่มหาศาล เทียนเผยแผ่คำสอนของพระองค์ทรงประกาศคำสอนของพระองค์ตลอดพระชนชีพแม้ใกล้ะจะปรินิพานกำลังป่วยอยู่พระองค์ก็ยังบอกทางที่จะออกจากทุกนั้นให้กระสาวกของพระองค์แล้วพวกเรามนีมาถึงที่นี่แล้ว มาอยังสถานที่ที่พองค์ตรัสรู้เลยโดยตรงเลยทำมาแล้วใครเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติเพียรพยายามอบรมสั่งสอนประทานคำสอนเพื่อให้เข้าสู่ใจของพวกเราถ้าใครรู้สึกว่าเออกระตุน้นเตือนจิตใจของเราได้ วันในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามอดทนเข้มแข็งแล้วก็ตัดสรู้ไม่มีทุกข์ในพระทยแล้วก็ทรงมีพระเมตตากรุณาประทานคาสอนให้แก่พวกเราในเมื่อรู้แล้วว่าธรรมะที่พระองค์ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้มาแบบง่ายๆไม่ใช่ได้มาด้วยการทำเล่นๆหล่อๆแหล่ๆทาด้วยความอ่อนแอ ได้มาด้วยความมุ่งมั่นบากบันจริงเพียนจริงอดทนจริงทุ่มเทกําลังกายกําลังใจทั้งหมดทั้งสิน้นทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จทุ่มลงไปต้อพ้นให้ได้ถ้ายัางไม่พ้นก็ไม่ท้อถอยไม่มีคําว่าถอดใจไม่มีคําว่าท้อแท้อ่อนแอยิ่งคิดถึงพระ อ, องค์เท่าไหร่ก็ยิ่งมีความ อัศจรรย์มหาศจรรย์ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละคือศาสดาของเราศาสดาของเราพระทยเข้มแข็งมุ่งมั่นบากบั่นเพียรพยายามอดทนสละทุกสิ่งทุกอย่างเพราะรู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีแก่นสารสาระอะไร เกิดมาแล้วความแก่ตามมาความเจ็บตามมาความตายตามมาเมื่อตายลงไปเอาอะไรไปไม่ได้ชีวิตจึงเหมือนกับว่าไม่มีแก่นสารสาระที่เราเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันมีแก่นมีสารมีสาระเนี่ยก็เพราะความหลงที่เราเพิดเพลินพอใจในชีวิตก็คือว่าความหลงอำนาจของความหลงทำให้เรายินดีทำให้เราพอใจ แต่จริงๆแล้วความทุกข์มันตามบีบคั้นเราตลอดวัตสุสงสารนี่มันโหดร้ายมากมันพาเราเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ไม่มีอะไรเลยติดไม้ติดมือของเราไม่มีอะไรเลยเป็นแก่นสารสาระได้แต่ความหลงเมื่อเกิดมาแล้วกรรมเนี่ยมันก็คอยบังคับบัญชาเราคอยบองการชีวิตของเรา ถ้าเราไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้านะเราละหกละเหินไปในวัฏฏะสงสารเนี่ยไล่จุดหมายปลายทางเหมือนที่ผ่านมาเราละหกละเหินมามากแล้วมีอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงมีหลักจิตหลักใจเพราะอาศัยคำสอนของพระโอเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีที่พึ่งทางจิตใจเลยเพราะนั้นวันนี้เรามาถึงแล้วต้องชำระใจของเราเรื่องราวอะไรในอดีตเราต้องทิ้งให้หมดเลยตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่บริเวณต้นศรีมหาโพบริเวณมหาเจดีย์อันเป็นสั ญ, ญลักษ์ เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตัดสรุ้รเพราะฉะนั้นเรื่องเราในอดีตเราวางทิ้งไปไม่ให้มันมารบกวนจิตใจของเราให้เหลือแต่กายกับใจที่ไม่มีอะไรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาเหมือนกับจะ บอกกับพระพุทธเจ้าว่าลูกไม่มีอะไรที่จะบูชาพระองค์อย่างลึกซึ้งให้มันถึงใจของลูกแล้วนอกจากขอมอบกายมอบใจอันนี้ขอเอากายเอาใจนี้ปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นธรรมบูชาถวายเป็นสังฆบูชาเพราะมายังสถานที่แห่งนี้แล้วได้ทราบซึ้งถึงความยากลําบากที่พระองค์ทรงเพียรพยายามอดทนมุ่งแสวงหาทางทนทุกข์ด้วยพระองค์เองด้วยความยากลําบากจริงๆ จ, จะพยายาม เดินตามรอยพระบาทของพระองค์ไปแม้จะเนิ่นช้าก็ตามแต่ว่าวันนี้ได้มายังสถานที่ที่พระองค์ทรงตัดสรุแล้วก็คงมีแต่ปณิธานปณิธานคือความมุ่งมั่นของจิตใจคือความตั้งใจ อันแ น, วแน่วแน่ว่าจะขอเดินตามลอยพระบาทของพระโอ๋ไปจะช้าจะเร็วก็ตามแต่วันนี้ขอยืนยันรับรองว่าจะพยายามเดินตามลอยพระบาทของพระโอ์ไปเพราะมายังสถานที่แห่งนี้แล้วมันเหมือนกับได้มาเฝ้าพระพุทธเจา้าเหมือนกับได้มาปราลบ กับพระพุทธเจ้าเพื่อให้จิตของเรามีความเข้มแข็งมุ่งมั่นบากบั่นที่จะปฏิบัติตามพระองค์เพื่อขัดจัดความลุ่มหลงออกไปจากใจของเราสิ่งที่มันมีอิทธิพลต่อใจของเราก็คือความหลงนี่แหละมันหลงว่าเป็นเราจริงจังมันไม่รู้ว่าเป็นเราชั่วคราวมันก็เลยยึดติดข้อง อย่างเหนียวแน่นเหมือนกับว่าจะถอนความนุ่มหลงเหล่านั้นออกไปไม่ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นมหาบุรุษองค์แรกที่สามารถหลุดออกไปจากความหลงเหล่านั้นออกจากเครื่องพันธนาการทั้งหลายจนจิตใจเป็นอิสระพ้ทนทุกโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายัางสถานที่แห่งนี้แล้วต้องกระตุ้นจิตของเรา ให้เข้มแข็งให้มุ่งหน้าเดินตามรอยของพระองค์ให้ได้นี่แหละเขาจึงเรียกว่าสังเวชนิยสถานสังเวชนิยสถานหมายถึงสถานที่ทําให้เราสังเวชคําว่าสังเวชเนี่ยไม่ใช่ว่าสังเวชในภาษาไทยแต่สังเวชในที่นี้แปลว่าเป็นการกระตุ้นเตือนเป็นเครื่องกระตุ้นเตือน ให้เราล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าล้ำลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระองค์ล้ำลึกถึงพระสง์ขึ้นมาแล้วทําให้เรามีกําลังใจที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติตามพระธรรมเพราะฉะนั้นถ้าใครมาแล้วเนี่ยมันกระตุ้นเตือนได้ มันจึงมีคุณค่าต่อจิตใจมันเกิดความปิติยินดีเกิดความเบิกบานเกิดกำลังใจใหญ่หลวงพระนักพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่ได้มาสังเวชนิยสถานสี่แห่งอย่างน้อยตายแล้วก็ไปสุคติเพราะมันกระตุ้นเตือดให้จิตใจของเราเนี่ยมีความศรัทธาเลื่อมใสเหมือนกับแต่ก่อนเนี่เราเรียนพระพุทธศาสนาเหมือนกับเรียนประวัติศาสตร์ เรียนไปมันก็เลื่อนลอยแต่พอมาแล้วนี่โวมาเห็นสถานที่จริงๆบรรยากาศของจิตใจถ้าหาว่าเราปรับจิตเราสํารวมจิตใจเราอานุภาพของพระพุทธเจ้ามันก็สัมผัสกับจิตเราได้ อานุภาพของพระ ธ, ธรรมก็มีได้อํานาจของพระอริยสงฆ์ก็มีได้ต่อไปนี้จะให้เราลองสารวมจิตใจตามลําพังนะเราอยากสอนจิตเราอย่างไงเราก็สอนได้เราอยากปารบจิตอย่างไงถึงพระพุทธเจ้าเราก็ปลารบได้บางทีเราอาจจะไม่ต้องนั่งนิ่ ง, งก็ได้เรานั่ง แล้วก็เหมือนกับพูดกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับสัญญากับพุทธเจ้าเหมือนกับลงใจแล้วก็อาศัยสถานที่แห่งนี้เป็นประจักษ์เป็นพยานให้รับรู้ความในใจของเราให้รับรู้ความตั้งใจของเราเพื่อให้จิตใจของเราเกิดกำลังใจเกิดกำลังแห่งความเพียรความพยายามความอดทน หรือว่าเกิดกำลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพัฒนาตัวเราให้มันดีขึ้นเพื่อใจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นสิ่งที่มันทำให้เราเป็นทุกข์มันมีแต่ความอ่อนแอเท่านั้น สังเกตได้เลยเวลาไหนเราอ่อนแอเราจะมีความทุกข์เวลาไหนมีความทุกข์เราก็อ่อนแอเหตุที่เราอ่อนแอก็เพราะเรามีความหลงมากหลงมากก็ยึดถือมีตัวมีตนมากเมื่อมีตัวมีตนมากก็ทำเพื่อตัวตนมากก็มีตัณหาราคะมากมีอุปทานมากเพราะนั้นทางออกมีทางเดียวคือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพเจ้าสอนอะไร ก็เริ่มด้วยสัมรวมกายวาจาจิตใจของเราคือมีศีลจากนั้นก็รักษาจิตเราให้เป็นสมาธิจากนั้นก็จเจริญสติสัมปชัญญะให้มีกําลังจนจิตใจตั้งมั่นขึ้นมาเห็นความจริงเห็นชีวิตของเรานี่แหละเห็นคันห้าของเรานี่แหละว่าจริงๆแล้วมันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองมันไม่ใช่เราตลอดไปจิตใจเราก็จะได้เบื่อหน่ายคลายวาง ไม่หลงหยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปเนี่ยกิเลสตัณหาอุปาทานมันก็ลดลงไปเยอะทำอะไรเพื่อตัวตนมันก็ลดลงไปเพราะมันรู้แล้วว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เราจริงมันเป็นเราชั่วคราวเฉยแต่การที่มันเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราไม่ได้ไหมายว่าเราจะต้องทิ้งเข้าของเงินทองเครื่องช้ไม้สอยไม่ใช่อย่างนั้นเราให้จิตมันรู้ เมื่อจิตรู้แล้วเนี่ยให้มันออกมาเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับข้าวของเงินทองเครื่องใช้ไม้ส้อยเกี่ยวข้องกับบุคคลสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวข้องให้มันถูกต้องเกี่ยวข้องแล้วเราไม่มีทุกข์หมายว่าอย่างนั้นถ้ามันทุกข์อยู่ถ้ามันยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่าเรายังโง่อยู่เรายังหลงอยู่เพราะความเป็นจริงมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราจริงๆ เป็นเราชั่วคราวเฉยๆร่างกายเนี่ยใครๆก็พอรู้ได้ว่าสุดท้ายต้องตายแน่ๆพอเราเคยเห็นคนตายมาเยอะสัตว์ตายก็เยอะแต่จิตใจเนี่ยมันยิ่งเป็นนามธรรมเลยเอายกตัวอย่างความโกรธอย่างเนี้ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นปับ๊บจิตของเราอะ่ะมันเห็นเอายกตัวอย่างเรามาอินเดียอย่า ง, งเนี้ยแขกเนี่ยเขาอยากขายของเขาอยากได้เขาอยากให้เราซื้อของเขา เขาก็เอาของมานําเสนอแต่ใจเราไม่ได้อยากซื้อเรื่อง เ, เงินมาให้จะมาแลกเขาก็มาซู้ซีเพราะอยากให้เราซื้อของเขาในเมื่อเราไม่อยากซื้อเราก็เห็นว่าเขาเท้าซีแต่เขาว่าเขาอยากให้เราซื้อเขาก็จําเป็นต้องทําแบบนั้นในเมื่อไ ม, ไ, มไม่ถูกใจเราเราก็งุงนิดขึ้นมาทําไมแขกเป็นอย่างนี้นะทําไมไม่รู้บ้างว่าเราเนี่ยไม่ได้อยากซื้อ ถ้ารู้ว่าเราไม่ซื้อก็ไม่น่าจะมากวนใจมันก็คิดได้จิตเราอะแค่เขาก็คิดอย่างหนึง่งเออไม่ซื้อเราพูดมากขึ้นขอร้องมากขึ้นหรือนำเสนอมากขึ้นอาจจะซื้อก็ได้เขาก็พยายามที่จะให้ซื้อเราก็ไม่สบายใจไม่ชอบใจก็นึกตำหนิเขาในใจว่าเขาในใจอะไรกันถ้ามันไม่รู้เรื่องเขาไม่ซื้อเรวก็รีบไปก็หมดเลือ ยังจะมาเศ้าซีให้ลำคาญอยู่ได้อารมณ์พวกนี้มันเพิ่งเกิดเกิดตอนแขกเนี่ยเขามาขายของเขาอยากขายของขอก็นำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆแต่เราเนี่ยมันไม่พอใจไม่ชอบใจเราก็งุ่นหิขนดขึ้นมาเราก็ลำคาญขึ้นมาเราก็โกรธขึ้นมาเราก็ไม่ชอบใจขึ้นมาอารมณ์พวกนี้มันเพิ่งเกิดแต่พอแขกไปแล้วมันก็ดับ มันไม่ใช่เราสันิดหนึง่งเพราะอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เราอย่างความโกรธอย่างนี้ไม่ใช่เราความไม่พอใจก็ไม่ใช่เราแต่ถ้าสติเราปัญญาเราไม่พอ เ, เราก็ไปยึดพวกนี้เป็นเราเดี๋ยวก็คิดขึ้นมาแล้วอย่างบางเรื่องมันตรงความรู้สึกเราหรือเขาว่าเราตําหนิเราเขาเบียดเบียนเราเขาเอาเปรียบเราเราเจ็บปวดขึ้นมาทางจิตใจเราก็คิดว่าอารมณ์นั้นเป็นเราเราก็จดจํา เราสําคัญให้ความสําคัญมั่นหมายเก็บเอาไว้ที่ใจเราแล้วสัญญามันก็ดึงมาดึงมามันก็นึกขึ้นมาปรุงขึ้นมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมันไม่ได้เป็นเราจริงๆอะ่ะมันมีเหตุแล้วเกิดขึ้นมีเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมีเหตุแล้วเกิดขึ้นหมดเหตุแล้วก็ดับหมดเหตุแล้วก็ดับถ้าเราไม่รู้ความจริงตรงเนี้ยยังไงยังไงเราก็มีทุกข์เพราะเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นเราเป็นของเรานะเนี่ยเพราะพระเจ้าจึงสอนให้มีสติมีสติ รักษาจิตใจเราเอาไว้ให้จิตใจเรามั่นคงให้ได้ถ้าจิตใจเรามั่นคงจนจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตเป็นตัวของตัวเองคําว่าตั้งมั่นหมา ย, hm ายว่ามันเป็นกลางแล้วมันวิ่งตามอารมณ์อ่ะมันไม่ถลําไปกับอารมณ์อ่ะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็ดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยอย่างตอนนี้เราดูเฉยเฉยได้ไหมดูตัวเราเฉยเฉยได้ไหมจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้ดูรูปดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูได้หมดอ่ะก็คือดูเราน Intro ั่นเอง ดูขันห้านี่เองหรือว่าเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเองเพื่อให้เห็นว่าเราสักแต่ว่าดูดูเฉยเฉยดูอยู่เฉยเฉยถ้ามันยังดูไม่ได้ก็แสดงว่าจิตของเรากําลังยังไม่พอเราก็ต้องมาเจริญสติมากๆมาเจริญสติมากๆควบคุมจิตของเราให้อยู่กับตัวเราให้มากๆเพื่อให้สติเรามีกําลังขึ้นควบคุมจิตได้แน่แน่มั่นคงขึ้นจนจิตของเราไม่สัดสายไปทางไหนจนกระทั่งสติเนี่ยมันต่อเนื่องมันมีกําลัง มันไม่เผอแล้วนี่ไม่เผอนี่หมายว่าเป็นสมาสติสมาสติก็ควบคุมจิตไม่ให้ตุ้งสั่นไปทางไหนก็เป็นสมาสมาธิเมื่อเป็นสมาสม า, สมาธิจิตก็อะไรเกิดขึ้ น, นก็เห็นเห็นว่ามันเกิดแล้วรกร็ดับเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็เป็นสมาธิทิเพรา ะ, ะสมาธิทจิจริงๆก็คือเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันเป็นของเกิดดับเป็นของที่มันไม่มีตัวตนอะไรอะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือพูดง่ายๆว่ามันไร้สาระ ไม่มีแก่นสารสาระอะไรเนี่คือสภาวะทุกข์ถ้ามันเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระมันก็ไม่มาทุกข์ทิจิตมันก็ไม่อยากทำอะไรเพื่อเราเพื่อตัวเราคือไม่มีตัณหาจะทำอะไรก็ทำด้วยสติด้วยปัญญาเอออันนี้มันหิวก็เอาร่างกายต้องการแล้วรับประทานเข้าไปถ้ามันอิ่มแล้วอึดอาดแล้วแน่นแล้วมันอยากอีกเฮ้ยไม่ได้เพราะมันเกินเดี๋ยวมันจะอึดอดัด เดี๋ยวมันจะมีทุกขเวทนาขึ้นมาใหม่มันจะเดือดร้อนทีหลังเสียสุขภาพด้วยมันก็จะรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องมีเจริญสติสัมปชัญญะใจตั้งมัน่นรู้ความจริงมีสมาธิทิแต่สมาธิทีเนี่ยเริ่มต้นมันตั้งเริ่มต้นแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุธรรมก็ต้องมีสมาธิทิด้วยคือเห็นว่าไม่ใช่เราไม่เช่ของเรา เห็นจริงขึ้นในจิตอีกอันหนึ่งยอมรับก่อนสามารถที่ทีขั้นความเข้าใจขั้นได้ยินได้ฟังยอมรับคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเข้ามาหาใจเราแล้วจากนั้นก็พยายามปฏิบัติตามเพื่อให้จิตเรามันเห็นตามไปจนมันตัดสินมันสรุปได้าสาลวนจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายนะสารวนจิตใจดีๆนะเพื่อความสบายใจ ถืเ อ, อเราเคยผิดพลาดล่วงเกินหรือประมาทพลาดครัง้งต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เราก็จะขออโหสิกรรมตรงนี้เลยนะจะพูดแทนเลยนะเราไม่ต้องออกเสียงก็ได้เราใจเรานี่รับเข้าไปกรรมใดก็ตามที่ข้าพเจ้า เคยผิดพลาดร่วงเกินประมาะทาพลาดพั้งต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ข้าพระเจ้าขออาหุธศีกรรมซึ่งโทษที่ได้ร่วงเกินนั้นเพื่อความสำรวมระวังในการต่อไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป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 ในวัตดสงสารด้วยเธอดแล้วก็สำรวจจิตใจดีๆนะแล้วก็ในเมื่อเรามาตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้ามายังสังเวชนียสถานสถานที่พูทธเจ้า ก, กัสรูบ้างสถานที่พระพุทธเจ้า แสดงปฐมเทศนาในวันพรุ่งนี้ในวันต่อๆไปก็สวนลุมพินีสถานที่ประสูตคุสินาราสถานที่ปาริณิพานรวมทั้งสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจเช่นวัดเชตวันเขาพิชกูตหรือวัดเวรุวันหรือ ม, มีแต่สถานที่สำคัญทั้งนั้นเลย ก็ขอให้เราเนี่ยถึงเป็นการปฏิบัติเลยไม่ใช่จะมาปฏิบัติมานั่งสมาธิเฉพาะเฉพาะไปถึงแล้วแค่เวลาแค่นี้มันไม่พอนะเราจะต้องขณะที่เรากำลังเดินทางก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในที่พักที่อาศัยเนี่ยเราสาวโอ้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงประเทศอินเดียเราจะมาปล่อยจิตปล่อยใจเหมือนกับอยู่ประเทศไทย มันไม่คุ้มค่าเลยนะเราเสียเงินเราเสียเวลากว่าจะมาได้ไม่ได้ธรรมดาเลยนะบางคนก็กว่าจะมาได้เหมือนจะมาไม่ได้เลยนะทั้งเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งจะเป็นนั่นเป็นนี่เราต้องใช้ความอุตสาห์พยายามอย่างมากกว่าจะมาได้เมื่อมาแล้วเราจะมาลูมไป ลืมความตั้งใจของเราว่าโอ้กว่าเราจะมาได้เนี่ยเราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะแต่พอมาแล้วเรากลับไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยอะทําเหมือนกับว่าเหมือนกับมันก็ยังยังเรื่อยๆอยู่เหมือนความสารวมก็ยังไม่มีเหมือนกับไม่สมกับมายัางประเทศอินเดียมายัางสถานที่ที่เป็นต้กนกําเนิดของพระพุทธเจ้า มันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายถ้าเราสำรวมตลอดเวลาถือเป็นการปฏิบัติธรรมเวลาเราไปถึงสถานที่ทิ่สำคัญนะจิตของเรามันก็น้อมเข้ามาเนี่ยมันก็พร้อมแล้วที่จะปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจา้าบูชาพระธรรมพระสงฆ์พร้อมแล้วที่มันจะสำรวมระวังพร้อมแล้วที่จะให้จิตของเราเนี่ยเข้ามาอยู่กับตัวเรา เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้ามันตรงเข้ามาที่จิตตรงตัสรู้ที่จิตดับทุกที่จิตเราะฉะนั้สอนทั้งหมดก็ลงที่จิตถ้าเราไม่สำํำรวมระวงังเราจะไม่เห็นจิตเรามีแต่เรื่องราวข้างนอกจิตเรามันไหลออกไปเรื่องแขกขายของกางเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างบางทีเรื่องที่ประเทศไทยตามมาบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งตบนละตั้งหลัก ธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถ้าใครตั้งใจปฏิบัติมีบุญจีมหาไมามหาศาลแสดงว่าเราได้สิ่งประเสริฐที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมะการได้ยินได้ฟังธรรมะการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งเนี้มันประเสริฐเพราะพระพุทธเจ้าก็ทุ่มเทชีวิตของพระองค์ประกาศธรรมะนี่แหละเรียกว่าประกาศพรหมจรรย์ถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมะ พอพุทธรม ร, รย์ตามคำสอนของพระองค์มันก็ไม่ต่างอะไรกับสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็พยายามที่จะประกาศพรหมจรรย์แล้วพระองค์ก็บอกภาสาว o k ของพระองค์ด้วยในภาษา voke สมัยนั้นมี60องค์พระองค์บอกว่าเราพวกเราให้จาริกไปให้ไปประกาศพรหมจรรย์ทางหนึ่งให้ไปองค์เดียวไม่ให้ไปซ้อนกันสององ ถ้าเราไม่ไปประกาศพมจารเนี่ยคนที่เขามีสติปัญญาพอที่จะรับธรรมะเนี่ยจะเสียโอกาสแม้เราตถาคตก็จะไปองค์เดียวเหมือนกันขนาดนั้นเลยนะพร่อผู้ให้ความสำคัญพระยังน้อยอยู่ต้องแยกย้ายกันไปทีนี้ถึงเราจะมาเป็นกลุ่มแต่เป็นกลุ่มที่มุ่งมาเพื่อฟังธรรมะของพระพุทธเจา้าโดยเฉพาะที่สมัครใจมา คราวนี้บอกมากับครูบาอาจารย์จะได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจา้าจะได้ประพฤติปฏิบัติเต็มที่สมกับความตั้งใจของเราบอกมายังสถานที่ที่พระพุทธเจา้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจเป็นสถานที่สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นกับพระองค์เมื่อเรามาจะได้มาปฏิบัติให้มันสมใจข้ง สมความตั้งใจของเราจะปฏิบัติให้มันเต็มที่เมื่อเราตั้งใจอย่างนี้คราวนี้เราก็ต้องสำรวมระวังด้วยไม่งั้นมันจะไม่เต็มที่อย่างที่เราตั้งใจแล้วการที่เราเสียเงินเสียเวลาเวลาส่งเพียรพยายามโอดทนเหนื่อย่างลำบากมามันก็จะได้ประโยชน์น้อยแทนที่จะได้ประโยชน์เต็มที่แต่ถ้าเราสำรวมระวัง เราจะได้ประโยชน์มากรวนทั้งจะไปไหนมาไหนต้องรัดกุมเพราะอันนี้มันหมายถึงธรรม ะ, เพ ร, ะเพราะพระพุทธเจ้านี่รัดกุมมากมีวิ น, นัยเพราะหมันถึงจิตใจที่มันเข้มแข็งจิตใจที่มันมีสติสัมปชัญญะจิตใจที่มีสมาธิมีปัญญามองดูตัวเองก็จะเข้าใจคนอื่นไปด้วยก็ เ, ออเราอย่างนี้แลวคนอื่นล่ะอยู่ยังไงเป็นยังไง ถ้าเราทำแบบนี้กระเทือนถึงหมูคณะไหมกระเทือนคนอื่นไหมถ้าเราเนิช้าคนอื่นเขาจะเป็นยังไงรอคอยเราไหมเราคนเดียวทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมเนี่ยมันก็จะคิดขึ้นมามันก็จะนึกขึ้นมาก็ระวังตัวเองพยายามมามาปรับตัวเองมาแก้ตัวเองถ้ามีความจำเป็นก็เออมันจำเป็นก็ไม่เป็นไรอพอบางทีมันก็มีเหตุฉุกเฉินเหมือนกันก็ไม่ว่ากัน แต่ว่าเราก็พยายามคงมีพระเจ้าจริงบอกว่าต่างคนต่างให้รักษาตัวเองเท่ากับรักษาคนอื่นรักษาตัวเองคือยังไงพเจ้าก็สอนเลยนะก็คือให้มีสตินี่แหละรักษาจิตของเราเมื่อรักษาจิตได้แล้วมันก็จะมีความเข้าใจคนอื่นรวมทั้งมีวินยัยมีข้อวัดปฏิบัติอันนี้มันตึกรอบอันนี้งธรรมะของเจ้าองคจะมีทั้งธรรมและวินยัยวินัยนี่หมายว่า เป็นข้อวัดปฏิบัติของตัวเองวินัยในตัวเองเป็นกรอบเป็นระบบระเบียบของตัวเองทีนี้มันเมื่อมาอยู่ด้วยกันอะ่ะมันก็จะมีกรอบต่างคนต่างมีกรอบมันก็จะไปไหนมาไหนก็คล่องแคล่วว่องไวคล่องตัวพูดกันก็เข้าใจง่ายไม่จะต้องคอยต้องไปพูดกันพือพ่อนเพื่อนหรอพูดให้ได้ยินเข้าใจแล้วก็เอาตามนั้นเพราะนั้นต้องรัดกลุมเนี่อมันยริงแสดงว่าเราเราเป็นนักปฏิบัติ นักแสวงหาธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าละลวมย่อย่อนอ่อนแอนี่มันอ่อนแอมันลหลวมมันไม่ตรงกับสิ่งที่พระเจ้าประพฤติปฏิบัติมาไม่ตรงกับคำสอนที่พระเจ้าประทานเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเนี่ยถึอว่ามาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นเป็นคอร์สคอร์สหนึ่งก็ได้มาที่ประเทศดีเดียนเลยเอาทุกสิ่งทุกอย่างเป็น เคื่อมือฝุกจิตเราถ้าอย่างนี้เราจะได้ธรรมะได้ข้อปฏิบัติเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วการมาที่นี่มันจะอยู่ในความทรงจำของเราบางทีเราอาจจะบางคนอาจจะได้มาหลายครัง้งบางคนอาจจะมาครั้งเดียวแต่ว่าการมาของเราเนี่ยมันทำให้จิตใจของเรามีกำลังใจมีความมุ่งมั่นปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้ามีความเข้าใจ ว่าเออการปฏิวัติธรรมแท้จริงเนี่ยคือปฏิวัติที่จิตของเราเหมือว่าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่เราก็ปฏิบัติที่จิตของเรานี่แหละคือสํารวมจิตใจของเรามีสติเนี่ยรักษาจิตเราเอาไว้แล้วทำอะไรก็มีความสำรวมระวังมันก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเรามันดีขึ้นมาเพราะฉั้นธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับบูรณ า, าการชีวิตของเราเข้ามาเลย มือกับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มันดีขึ้นเลยเหมือนกันอย่างนี้เพราะคนที่จะออกจากทุกข์ได้จิตใจต้องเข้มแข็ ง, ขงต้องพัฒนาทุกด้านเพื่อให้จิตเนี่ยมันมุ่งตรงไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อะไรสํารวม จ, จิตใจเป็นโอกตาสุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะหยุดละเพราะว่านี่ก็สองทุ่มนาทีนะเห็นว่าสามทุ่มจะปิดเพราะนั้นบางทีเราจากนี้ไปเราก็จะได้ เปลียนเปียนด้วยอะไรด้วยเดินอบูชาสักสามรอบนะเอาก่อนอื่นนะให้เราได้อุทิศบุญก่อนนะรูปวงกําลังบุญของเรานะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน้อยที่จิตใจของเรานะแล้วนนะย้ากับตัวเองสัก่อนนะปัญญากับตัวเองสัก่อนใครอยากย้ําอะไรย้ําได้ที่นี่มันทําให้เรามีกําลังใจพราะเป็นสถานที่ตัดสรุปของพระพุทธเจา้า นี่แหะเป็นสถานที่ที่เป็นต้นกําเนิดของพระเจ้ากววาดัเป็นที่อุบัติขึ้นของพระเจ้าทุ ก, กพระองค์กววาดัยพอมาตัดสรุปที่นี่เจ้าชายสิทธตะปุมาณมาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าที่นี่จึงว่าพระเจ้าเกิดขึ้นที่นี่พระธรรมในพระไทยของพระค์ก็เกิดขึ้นที่นี่ธรรมมาทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟังก็เกิดขึ้นที่นี่ พ, พระพงค์พระไทยของพระองค์ศาสตร์บริสุทธิ์หมดจดที่นี่ อาสวะกิเลสหมดจดสิ้นเชิงที่นี่เพราะนั้นถ้าเราได้ตั้งใจอะไรเนี่ยน่าจะทำให้เรามีกําลังใจที่จะปฏิบัติตามความตั้งอกตั้งใจของเราถ้าลำพังเราจิตใจมันไม่เข้มแข็งพอเมื่อเรามาที่นี่ถ้าเราอยากชาระอะไรล้างอะไรออกไปบางทีสิ่งแวดล้อมตรงนี้ด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้า อาจจะช่วยทําให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นมาก็ได้เพราะนั้นสอนตัวเองให้เรียบร้อยจากนั้นก็ตั้งใจคิดบุญ น, นะขออํานาจพระพุทธเจ้าอํานาจพระธรรมอํานาจพระสงฆ์จงบนบรรดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าให้แกญาติโวดาที่รักษาแล่นนายเวรของพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานพี่น้องผู้นี้พระคุณของข้าพเจ้าให้แกดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ที่ปกปักรักษาคุ้มครองสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในบริเวณนี้ ดวงวิ ญ, ญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในบ้านเรือนในที่ทำงานร้านค้าบริษัทโรงงานฟลินิกโรงแรมไรนาสวนที่ดินในสมบัติพระสถานทุกชิ้นทุกอันของข้าพเจ้าให้แกดวงวิญญาณ ท, าทั้งหลายที่กำลังต้องการบุญจากข้าพเจ้าอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมิขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าโดยเทิ เมื่อรับอาบุญแล้วต้องการสิ่งใดคอยสมความปรารถนาด้วยอำนาจแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้เมื่อสมความปรารถนาแล้วให้ปกปักรักษาผู้ครองดูงแลช่วยเหลือจนข้าพเจ้าทําสิ่งใดไม่มีแต่ความราบเรื่อมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ยื้อกินไปที่ถึข้าพเจ้าจะหมั่นทําบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้เรื่อไป แล้วก็ทําความดีเต็มใจให้บุญนะบุญบุญออกเป็นแจกใจเรานะแล้วก็ขออนุโมทนานะบุญสมรักหนิงแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะที่ช่วยกันจัดให้มการมาฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่งสถานที่สําคัญสําคัญของพระพุทธเจ้าแล้วก็ขออนุโมทนาบุญของทุกๆคนนะที่มีบุญมีบา ร, รมีนะอุตส่าห์ได้เดินทางมา ยังสถานที่ที่สําคัญของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมาแล้วก็ขอเป็นอันว่าเราจะพยายามให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการมาในครั้งนี้จะได้คุ้มค่ากับการที่เราได้เสียเวลามาเสียเงินเสียทองด้วยความเหนื่อยอยากลาบากด้วยความอดทนทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเกินนี้ก็คงไม่ได้แล้วละ่ะสําหรับชีวิตของเรา บัด น, นี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแนละ้วเพราะฉะนั้นเราจะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะต้องพยายามให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการมาครั้งนี้นะเท่าที่เราจะทําได้แต่วันนี้ก็พอแค่นี้นะ